บุกทูสามสิบสองทรเด็กดูที่ร้านอาหารสี่ e la r e s t a r a c i o Qua ขอมันฝรั่งทอดกับซอสมะเขือเทศหนึ่งที่ Una porción d a frito con ketchup. และมายองเนสสองที่ไขดูกคุณมายองเนสและไส้กรอกกับมัสตาร์ดสามที่ไข่ทริรสติไทยน์คอลบาสซอยน์คุณมัสตาร ด, ดคุณมีผักอะไรบ้างคะคี i งเลโก้มอวิฮาบสคุณมีถั่วไหมคะชูวิฮ a บัสฟาเซอโลอน คุณมีดอกกะหล่ำไหมคะฉันชอบทานขา้าวโพดหวา น, น, านฉันชอบทานแตงกวากกฉันชอบทานมะเขือเทศ คุณชอบทานต้นหอมด้วยใช่ไหมคะคุณชอบท า, กานกระหล่ำปลีดองด้วยใช่ไหมคะคุณชอบทานถั่วลินเส้น ด, ด้วยใช่ไหมคะคุณชอบทานแครอทด้วยใช่ไหมคะ ชูวิชาตัสมันจีอังเขาะคา o อตอคุณชอบทานบรอกโคโลีด้วยใช่ไหมคะชูวิชา a ัสมัะบรโคโคุณชอบทานพริกหวานด้วยใช่ไหมคะชูว s ชาตัสมันจีอังะซิดิฉันไม่ชอบหัวหอมใหญ่มีเนเชตัสเซปอยน ดิฉันไม่ชอบมะกอกมนชาตสอลวินดิฉันไม่ชอบเห็ดมินเชสฟุงโอย